ต sí ั้งตานิ้วหน้าจับบ้านจากเมืองอยู่ัดอยู่วังโดยเฉพาะลักเบี้ยึงแม้วันจะบ้าโดยเฉพาะไม่มีเรื่องอะไรที่เกี่ยเกี่ยวกับธรรมะวิสัย ปัญหานั้นโด ย, ดยดส่นใหญ่การคิดเคยคิดเิงกิดคิดเรื่องนอกเน่งโลกแล้วแบบคิดมากเกิดในโอกาสเวลาที่จะวกขามาเจร น, นาตัวแากการคิดไป น, นั้นมันทำวามดีชั่วที่ถูกอย่างไรแต่ก็ซอยมันไหลไป ต, ตามเรื่องของ วิเยตของอารมณ์สัญญาตลอดมาเกี่ยวกั้นจิใจของพวกเราท่านจึเต่าหมองขุ่นมัวยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของโลกจึงเป็นของสิมีสาระแสนแนอายแต่ในมีสกิในมือปัญญาที่มิพิจารณาเร่องทีดมันเอือไหลไปมันก็เลยในป็นลา ใจว่าการคิดการเป็นทั้งตัวมันนำทุดน้าท่วมมาให้เนี่ยมันในใจในทราว่าิที่คิดไปนั้นมันคิดมันมนไปนิดที่ดีเราไม่ได้ตำเราม่เว้นจากการคิดการเป็นแบบนั้นความคิดเป็นแบบนั้น เกิดไเรื่อยินเกลี่ยไเรืเร่อ ย, ย, ย, ยแล้วก็ไม่มีการสำระแางอารมณ์ตั้งอย่า ง, น, งนั้น <c oughs> ใ้มันดินไปตกไปเมื่อเป็นอย่างนั้นการนัไประเวปฏิบัติมันก็ไม่เกิดผลเท่าที่ควรพาการปฏิบัตินั้นท่านเคยล่า ว, วางจังหวะจิตของตัว ตลอดระยะเวลาไม่ว่าอารมณ์ทัณยยาอะไรจะเข้ามาสัมผัสกับใจจะต้องมีสติรับรู้มีทัณยยาที่นี่ที่จะนำมาดูว่าอารมณ์เหมือนนั้นนั้นทำให้เกิดความสุขความสงบหรือทำให้วุ่นวายเดือดร้อนท่า เราต้องยอนรักษา ใ, ใจในใจไหลไปตามธรรมดาเราจะอยู่ในที่วุเนวายสงบมันจะไม่เกิดความสงบให้ภายในจิตในใจของตัวยิ่งไปยิ่งเกี่ยวกับที่วุ่นวายแล้วก็ไม่มีโอกาสเวลงที่จะหาความสงบหาธรรมะในจิต ใ, ในใจได้เหตุนั้นคนอยู่ในโลก จึงไม่มีโอกาสเวลาที่จะพบปะความสงบสุขของธรรมเมื่อไมาเห็นคุณค่าสาของจิตที่สงบจิตนั้นเขาจะต้องแสวงหาสุขอย่างสื่นจนตนล่ารูเสียงกิ่นลสสัมผัส เียกง่าเยเลยว่าตา ม, ม <c oughs> อารมณ์คืออารมณ์ขี่หน่าไข่หนากานาท้ชาวโลกทั่วไปเขานิอยมสันลลเสินว่าดีว่ารู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ลมุ่งมั่นแสวงหาการว่าตั้งวันตั้งคืนยืนเดนินแสวงหาไป่สิ่งเหล่านั้น แต่จิตใจที่ได้สิ่งเหล่านั้นมามันเกิดคุณค่าสาระไหมโดยชวนใจมัได้คิดกันมุ่งมัน่นไปแสวงหาได้มาเบื้องต้นก็ทำให้จิตใจสุขสบายว่าได้อันนั้นได้อันนี้แต่นานๆเข้าความอยากของใจมันเลยอยู่กับที่นั้น แต่มีเมืองพอมันอยาต่อไปแต่นั้นจึงต้องแสวงหามนให้แลาไม่มนนีโอกาสเวลาที่จะสงบได้ที่จะสุขได้เพราะความปุงแตกของใจตวามอยากของใจมันวุ่นวุ่นอยู่ยยยตลอดระยะเวลาคนถั่วใจจึงไม่มีความสงบสุขเท่าที่ควร น, นอกจากฝูงมาต่อพิบัติปฏิบัติ ตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอน 1. ุ่งเข้าหาสถานที่สงบวิเร็กภายนอกคือไม่มีอะไรทุกพลาดไม่มีรูดมีเสียงมรรยารบกวนและกำหนดที่งนะที่จรมาสิ่งที่เราฝังจิตยินดีเหมือนนั้นแบบมันจนโทษ็นทุกข์ หรือนำความสุขความสงบมาให้ผ่าหากิตที่มีเจรณาอย่างนั้นมันจะทราบเรื่องของมันที่เราลงคิดแสวงหานั้นความจริงแล้วสิ่งันนั้นมันไม่ให้ความสงบสุขเวลาแสวงหาก็เกิดทุกข์ ได้มาก็าเกิดทุกข์เพราะการรักษาแต่สิ่งเหล่านั้นก็จะต้องจิดหายไปดับไปถึงเราจะรักษามันใ้ควเค็่งเครวาดอยู่ได้กายของเราก็ตาเพราะกายนี้เป็นอ น, นิจจังไม่เทีย่ยงและสิ่งเหล่านั้น มันให้ผลในปัจจ um ุบันคือตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ก่มีกรรมสิทธิ์ที่จะช้สอยแลกเปลี่ยนความต้องการต่างๆได้ตามฐานะนาจิของมันแต่เมื่อตายไปสิ่งเหล่านั้นเราหอบห้วหาบหามไปไนได้ยิงจิตกังวลยึดถือดึงเกี่ยวเท่าไร จะเกิดทุกข์เกิดโทษในจิตในใจทองตนจนนอนไม่หลับดีไม่็นสุขจน็นหา่าเรามีเงนินมีทองมีเข่ามีของที่เราแขงแข่น ม, มากพอได้ยินเสียงอะไรแตกต่างนิดหน่อยก็กลัวว่าเขาจะมาป้นมาชี้ม า, <c oughs> มาขาโมยเอาไป การหลับนอนพักผ่อนจึงไม่สุขไม่สบายะห้แเราไปในสถานที่ต่างๆหัวหิ้วสิ่งของที่มีค่าทางโลกไปก็เป็นภัยอันตรายบางที่อาจเขาฆ่าตายเพราะเขาแย่งยิงเอาสิ่งเหล่านั้นมีโทษภัย ข, ของมันในปัจจุบันถ้าหาเกเราที่นี่เจรนาพอมองเห็น ในใจว่ามันปกปิดกำบังทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่ธรรมะของใจผู้ประพฤทปฏิบัติรักษาหักห้ามจิตใจคงตนม ah e, ไม่เหตุไปกังวลเกี่ยวข้องพอเราอยู่ในที่สงบประพฤติปฏิบัติอัดธรรมเราเ อ, องก็ไม่อดอยากอยากจนเทา่าไรพอไดหนึ่งใดห่มพอ ได้อยู่ได้อาศัยพอได้กบได้ฉันได้รับทานอาหารเสดีไม่ใช่ว่ามันอดยากอยากจนมันมีกระดูกนึ่งโดยหมได้อยากเลยกินจนเหลือเฟืออยู่แล้วแต่ความอยากของใจมันไม่เพียงพอเหมาะสมแค่นั้นมันยังอยากใหญ่ใจสูงมากใจใจจง หุ่นวายเดือดร้อนเราคิดว่าจิง่งเหานั้นมันเกิด ท, ท, ทุกข์เกิดโทษเพราะการคิดกำปูนท้องใจทำไมเหรอเห็น <c ười> เหวี่ยงผ่ทองมันใจจึงชอบคิดจึงนยุ่งเกี่ยวแต่เรารักษาจิตเอาไว้ต่างใจกับเพื่อปฏิบัติเราจไปยุ่งเกี่ยวกับรูป เสียงรย่องลราต่างๆต่างหน้าต่างตากำหนดรักษาให้จิตของเราสงบลังนับพอมันเกิดขึ้นเกี่ยวข้องเราก็ตัดเต่ามันออกไปในจิตตามอารมณ์สัญญาสิ่งเป็นทางโลกที่ก็มาดึงเกี่ยวกับจิตใจต่างหน้ากำหนด บ, บริกรรมภาวนา หรือแต่ตั้งหน้ากําหนดลมหายใจไม่ให้คิดยึ่งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆผูกคิดมั่นให้จิตสัมผัสอยู่กับทำบริกรรมหลมหายใจของตัวอย่างน้อยจิตไม่ได้คิดออกไปนอกถึงจิตจะรเลรวมให้เราก็เหมือนกันนี่ตัวของตัวว่บคิดไปปรุงไป นั اء, ي, ่นเสียเวลาโดยไม่ได้กำหนดรักษาจิตของตัวไม่ได้ตั้งหนึ่นอกจากนั้นจิตจะลงรวมเป็นสมาธิสงบสบายเบากายเบาใจซึ่งเราเคยเห็นเคยเป็นมาก่อนถ้ามันเห็นมันเป็นมันเย็นมันสงบอย่างนั้นก็เชื่อมั่นอยากขอพึ่งปฏิบัติเห็นคุณค่าในชีวิตของตัวเราเกิดมา ได้ตังหน้าต่างตาแต่เพื่อปฏิบัติมีคุณธรรมเกิดขึ้นจากจิตจากใจทังตัวเมื่อจิตใจตั้งมัน่นจิตใจเย็นจิตใจเป็นสมาธิพอถอดถอนออกมาที่เจรณาอะไรสึ่งเคยเนเวนเป็นไทยเคยเป็น่าสบกรั ต, รตูต่อจิตต่อใจนั้นมันจะเข้าใจ ในสิ่ง น, นั้นนั้นตามเป็นจริงของมันลอยล ะ, ละถอนปล่อยวางสิ่ง น, นั้นนั้นทั้งทั้งที่ตามีรูปมีหูมีเสียงมีเหมือนเดิมใจใจิตใจไม่เด็ยิ่มเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เห็นก๋วศักแต่ว่าเห็นได้ยินก๋วศกแต่ว่าได้ยินไม่ได้ไปยิ่มเกี่ยวเกิดความอยากได้กำหนัดยินดีเสื่อมมัวเ ม, ว ม, ว ม, วมวาเหมือนเก่าก่อน มีแต่ทา ง, งที่นิพพานละถอนความจิดของยึดถือของใจโดยความจริงตามอัตตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนเอาไว้เมื่อเรามีธรรมในใจใจสงบใจสุขใจปรดเสริมยุดยี่เหลี่ยงกังหันหรือก็ควรโยกขอ้อไปสถานที่ใด อยู่สถานที่ได้ทั้งวานรักษาใจทองตัวมีปติติปัญญาอยู่ภายในต่างใจจะพึติปฏิบัติจริงที่ยังถัดข้องยังละถอนไม่ได้กำหนดชี่ิตพิจานาเรื่อยไปใจในเดี๋ยวไปยุ่งเกี่ยวกับงานนอกๆเรารักษาได้อย่างนั้นใจของเราเย็นใจของเราสบาย ใจของเราสุขล้วผู้ที่มีความสุขความสงบมีอัตมีธรรมในใจอย่างนี้จะอยู่ในป่าในเขาก็มีความสุขความสบายเ ย, ย็ยนกายเย็นใจล้วเป็นเด่นเป็นไทยไมมีใครเขาจะมายี่มาปนมาลักมาขโมยไปจะฐานที่ใดก็ไปได้สงสบาย มาเดินหัวหัวงยึดถือเพราะธรรมะมันอยู่ภายในอยู่ในกายในใจของเราไม่ต้องไปหายานทาหนะมาลาดเขียนไปสถานที่ใดธรามะจิตตามไปอย่างเบาอย่างสบายนี่คือการที่เจารณาสำลัะจิตใจ ปุจติสำลัจิตใจปุจจิตต์หน้าต่างๆาปุจจิบัตรมีความเพียรอยู่กู๊บอยูยยบทคนนั้นแหละจะเห็นความสงบสุขของใจจะเห็นทำเป็นของที่มีคุณค่าสาระสูงเพราะความเพียรเท่านั้นที่จะจากาจัดที่เหลวกตัณหาราภต่างๆ หแหกตกออกไปได้ในเวลาอยู่ๆวิมุตต์จะเกิดขึ้นถ้าไม่ผ่าเชียนพยายามที้นิจเจนาชำระใจของตัวโดวยอดโดยธรรมแล้วจะอยู่ไปกี่เดือนกี่ปีก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะประสบพบวิชาวิมุตต์แต่นั้นนักนปฏิบัต เขามาเป็นชาเป็นเงินมาอยู่ในวัในราเป็นคารวะความมุงมั่นที่จะาำจิตใจของเราถี่เต่ามอขุ่นมัอเดือดร้อนหาหมดไปด้วยอุบายัญญาด้วยสัทธาด้วยความเสี่การจัดอยู่เลทีนี่ที่จะมาอยู่ดจิตใจซึ่ง เรารักษาเราปฏิบัติทุการทุกเวลามันตบของใสก็สงบสุขสะอาดสบายู่งีการต่อพปฏิบัติในอดทันที่พระพุทธเจ้าสอนอย่าให้ได้ใจชื่อมาเป็นนักปฏิบัติ ให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจริงจจังๆรักษาจริง่ควรรักษาเมื่ออย่างนั้นจะไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรอยู่วัดต่อสักจะว่าอยู่เหมือนกันกับทับทีอยู่ในหมอ้อแกงไม่ทราบโดยรถของแกงนั้นมันเถิดมันมันมัน ค็มมันหวานอย่างไรเพราะทัพที่มีหน้ที่จะตัดแตงเท่านั้นรดของมันจะเปลียวหวานเผ็ดเค็มอย่างไรนั้นทัพที่ในทาบจาอู่ไรอยู่ในสถ า, านะเป็นนักภานะนักปฏิบัติาหากในทั้องรวมระวังตั้งใจทําความเพียรจริงจัจงก็จะในทราบวความสงบ รวมควาใจความยยนควใจความปล่อยวางค้องใจความพ้นไปจากทุกโทษในโลกในสงสารเป็นอย่างไรเราจะไม่ทราบอยู่ไปตลอดปันตายก็เหมือนทับที่อยู่ในหมอกแกไม่สามารถที่จะทราบเรื่องของแจ้งละนี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พวกเราเข้ามาต่างหน้าต่างตาแต่ที่แบบ ก็ทำางานเดียวกันถ้าหากหนอนนำมาที่นี่ที่ใจนะห่สอนตาลาชาใจทงตนมันไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ให้โอกาสเวลาที่จะไปะเพื่อปะที่บัดดาดสะดวกสบายนั้นม่นี้เพศได้ที่เะสะดวกสบายยิ่งกว่าเพศของนักค้นนักบวชเพราะเพศอืน่น มันมีโอกาสเวลาเรื่องต่างๆนานามายุ่งเกี่ยวตัวของเราอยู่คนเดียวในวัดเลยวาเวลานั่นภาวนาก็ไม่มีอะไรมายุ่งเกี่ยวสูรเด็กแดงสานีธนรยาตลอดถึงศาตร์ต่างๆนานาหรือวัดถิ่ต่างๆ สิวงแหนมันก็ไ ม, ม่มีเพราะที่จะให้จิตวอกคิดจ ok ิตข้องในสิ่งเหล่า น, นั้นมันจึงมีโอกาสเพียงล่ะที่จะกำหนดรักษาปฏิบัติกายราใาใจของตัวง่ายขึ้นมันสะดว ก, กทุกสิ่งทุกอย่างเช่นนี้จะยังไม่มีจิตใจที่จะทำยังไม่เห็นโชคลาภของตัวกว่าเรามี ดีแล้วถูกแล้วเราอยู่สันนี้เป็นทางที่ดีที่ประเสริอยากเดินจงกลมอยาก น, าา น, นั่งภาวนาทำละยุ่เดื่อของตัวในอีกอย่าบทใดงก็ทำได้เพราะการงานด้านอื่นไม่ยุ่งเกี่ยวเราต้งเน้ต้องสอนตัวของตัว ลงมือต่อเพื่ปฏิบัติเอาจริงเอาจังเราปฏิบัติขัดใจอยู่ไม่ถอยความสะอาดจะไม่เกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้แต่เราตัดกวาดลานวัดมันก็ยังสะอาดงามตาน้าอยู่น่าอาศัยเราตัดกวาดสภาไม่ก็หน้าหน้าหน้านอนเห็น ล, ละอองต่างๆมันก็ตกไปหมดไป พอการขัดถูชำระถูเราปฏิบัติกายวาจาใจของเรามันจะไม่มีวันสะอาดมันจะเป็นไปได้หรือหากเราต่างหน้าต่างตาที่บัตริรักษาที่มันไม่สะอ า, าดเต่ามองเดือดร้อนว่าดหุ่นหมุนมัวต่างๆไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติมันเรานําของโขกฤกระปบ เจ้ามุมต่างๆเข้าขมาพับผมมันเสียงรู้กว่ายึดมั่นถือมั่นจึงจิตติดห้อ ง, องใจว่าเสียงหวางมหน้ากำหงง น, นัดหน้ายินดีหน้าจูบหน้ากอดได้ยินเสียงเต๋อเธอเพราะจิ้มอย่างนั้นอย่างนี้หน้ยินดีหน้าซังมันไปอย่างนั้นมันจึงทำจิต ใจเขาบวกเราท่านใจเดือดร้อนวุ่นลายา็คิดไปแบบนั้นไม่ใช่ทาง ăm, สำว่าทางนั้นมาสู่ความปกกระตกทา ma, งน <c ười> <c ười> e ั้นมาสู่ความเดือดร้อนไม่ใช่ทางนำมาสู่ความเยือกเย็นไม่ใช่การคิดใจแฉะไถ่กิเลสตัณหาคิดไปเพื่อสะสมกิเลสตัณหา จิตใจจึงเกิดความว่าวุ่นเ่าหมองเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาแต่เราคิดไปในทางสำลักเมื่อตาเห็นรูหูฟังเสียงเราจะต้องคิดสอนจิตตัวเองจะรูปเสียงนี้แต่ก่อนเราไม่เห็นเราไม่ได้ยินมันมีหรือไม่หรือมันเึงมี คือเราเห็นเราได้ยินถึงมันมีมาแต่ไหนแต่อะไรแต่ทำไมจิตใจยังไปเต่ไหลโย่คล้องไหลยึดถือไหลล้มไหลในสิ่งเหมนนั้นมันจะต้องทีนิดที่จะมาหลบเลี่เรนั้นที่มันไปยุ่งเกี่ยวยึดถือด้วยเสียงเหมือนั้นจะทํานองโยกันมันเป็นของพลังย่างเย็นรู้ไหม มันจะสวยงามคงส่ทนคงวาหรือไม่หรือมันจะแปรสภาพไปเป็นแบบไหนต่อที่จีนเจรนาอีกนอกจากนั้นที่จาาเจรนาถอไปภนยในอยา่ า, าที่เจรนาจีบเขินเชียงจีบหนังถ่อนั้ น, น, น, นที่จาาเจรนา่อไปถึงเนื้อถึงกระดูกตับไตใส่พุงคลองมันดึงออกมา ลากออกมาดูให้เห็นในจิตในใจจริงจังแต่อยู่ในนั้นมันเสือเงาไหมอยู่ในลำไส้มันมีอะไรมันเหมือนมันหอมนอกจากนั้นถัตว์ที่มันเข้าไปอาศัยในลำไส้มันก็มี สเหล่านั้นมันมีคุณค่ า, าอะไรจะไปขายแคดขายเขาก็ไม่ยินยอมที่จะซื้อเชียงเราไปขว่างให้ขึ้นให้เขาก็จะต้องด่าว่าเลือข้าตีเพราะสัตว์ที่อาศัยในลําใต้นั้นเชงสัตว์ที่หน่ารังเกียร์ในเจ้ของเจยาขอ ง, งมอะไรภาษาของเรา ตัวตืดอยู่ในน้ำมันมนือทุกสิ่งทุกอย่างของรายการแต่เราทุกแกมาตามสภ า, าวะธรรมจริงจังเราจะทราบวันนีแต่ของตกกระปกของต่อตีกูลอาไกหัอหุ้มด้วยหนังผัดสีสำระล้างอยู่ทุกวันทุกเวลาเยี่งพอหน้าดูกัน ทางหากไม่อาบน้ำเหนื่มยชำระหลายๆนเขา้าความเหมือนบาบเห้ือนโขงกองตามันจะขนาดไหนหลองพ่อทราบได้ขอเราไปยินดีกับฟองที่หรือขี้ของตะปีกูนสกปรกอย่างนี้ควรรล้หรือเราจะสอนใจของเราได้หนีคือการที่เจนา จำละแก้ไขจิตใจเสียงก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นกับเพียงลมปาแล้วก็ตกไปหายไปความไปยินดีชอบพอมันเกิดทุกข์แต่จันมิมินทามันก็เกิดทุกข์เหมือนกันดังนั้นเราจะจางวางใจของเราให้เป็นกางอย่าไปย่งเชี่ยวมันเกิดขึ้นมันตกของมันไปเองตัดความยึดถือ ของใจเรียบวว่าอุปาทานแต่มันตกมันหล่นออกไปเหนือใจไม่มีเครื่องภายในนอกนานอายุเกี่ยวโยยุไม่มีของสกรปรกภายนอกสชำระกัดกรอออกไปหมดมันก็สะอาดผ่องใสสุขสบายจะหลับจะนอนก็สบายจะนั่งก็สบายจะยืนจะเดินก็สบายเพราะใจมันสบายใจมันเป็นสุข ใจมันมีอาจมีธรรมฉะนั้นเราทุกคนที่มุงมั่นมาปฏิบัติอย่าไปมองข้าม ส, สติปัญญาศรัทาความเพียรคอยดูอยู่ภายในของตัวรูปเัื่อโลกมันก็เหมือนกันอยู่กับตัวของเรา ช, ชื่อว่ารูปตัวของเราเป็นอย่างไรรูป นอกตัวก็เป็นอย่างนั้นยิ่งก็เหมือนกันมันมีในเรามันไม่ใช่มันมีต่างใจอยู่ทางนอกหลายเหลงตัวของเราเข้าใจว่ามันดิีมัน ด, มนดีมันมีคุณค่ามันให้สุขให้สบาอย่างนั้นอย่างนี้เดินไปที่นิพพยานาทางสองข้าม คือความทุกข์ของใจของใจมันจึงหลงไหลจึงวิ่งวุ่นตามรูปเสียงเรื่องราวต่างๆหามาพิจเงาวกเข้ามาภายในดูกายดูใจท่องตัวด้วยสติเดือยจัญญาพิจเง า, านธรรมะจริงคือมันความสิ่จิตใจต่างๆเดือยหลับทำเดือยความจริงของมัน ใจจะยอมจำนนเชื่อมัน่นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆความด่าความต้านหนัดยินดีเถึงเคยนี้นะามาก่อนมันจะหลึกระโดดออกไปแต่เราเห็นไปจากชักเจนในจิตในใจของเราเพราะทําเป็นสันทิกิโกยินเองในการตื่นปฏิบัติในเวลาการใดสมัยใดทําเป็นอากาลวิโกอยู่อย่างนั้น หากพวกเราท่านต่างหน้าตา่างตรักษาปฏิบัติมักผลจะมีอยู่ในสำหรับตำราแถ า, านั้นแต่เห็นไปจับในจิตในใจของเราทุกท่านหาเราฝึกปฏิบัติถูกต้องตามอาามัธธรรมความส ง, งบสุขมันก็เกิดขึ้นเห็นความส ง, งบความสุข อยู่ในจิตในใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่าศาระสูงยิ่งกว่าสิ่งภายนอกและมันจะไปเลหลงไหลส่สันหาอะไรสิ่งของที่ไม่มีสาระแ่นสานทางนอกมันจะอยู่สงบในตัวของมันสุขส บ, บายในการที่มีพิจารณาของมันโดยโดยตจอมไปยุ่งเกี่ยว เราเรยอื่นมาประดับประดาแต่นั้นก็สวยงามแต่มันก็เหมาะสมทุกอย่างในตัวของมันอยู่แล้วนี่คีอการตระที่ปฏิบัติถือาจถึงทํามันสุกมันสงบมันเย็นมันสบายแต่นั้นเราทุกคนที่มุ่งมัน่นมาตระที่ปฏิบัติต้องตั้งวรระวงัง กายวาจาใจเครงตัวกําหนดที่เจรนาตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้สติปัญญาเรามีอยู่อย่ไหนมีอยู่ในตายในใจของเราไม่เหลือัญหาไม่นอยู่ข้างนอกเกิดขึ้นจากภายในดังนั้นเราจะมีอโอกาสเวลาสำาะสาสางมันเรายอยู่สถานที่ใด งานของใจเป็นงานสลายกิเลสคือมันมีอยู่แล้วต้องทำอยู่ตลอดเวาลาสลายแก่ไขมันไปมันตกใไปหน้าเท่าไรก็เหมือนคนไข้โรคไครมันหายไปเท่าไรความสบายใจมันจะมีขึ้นเท่านั้นเป็นโรคไครหายขาดใจจยนี้โรคไครมาเบียดเบียนย่ำยีมันจะ ม, มีความสุขเดินเหมือน นั่นอนสะดวกสบายทํำงานอะไรได้ข้าข อ, อเดือดใดพอไม่มีโรคไคยเยียดเย็นใจของพวกเราท่านขอทานองเดียวกันเคยยามขับไล่ใสส่งออกไปอย่างเกลียดจันหาอย่าไปคิดว่ามันเป็นของดีของดีงดสิหรือว่มันเป็นเพื่อนทีรยูจันนิษฐแห่งความสุขความสงบกแก่ตัวอย่าไปคิด หลงอุบายของมันอย่างนั้นพยายามขับไล่พยายามแก้ไขปรับปรุงกายใจของตัวถ้าอยู่ในขอบเขตของอาจของธรรมเราทุกท่านก็จะมีความสุกความสงบเป็นสมาณะอยู่ตลอดระยะเวลาเดต่อไปหาพระนิพพานอยู่ที่ไหนถ้าใจ เป็นอาจเป็นธรรมละถอนกิเลสหมดแล้วเราจะไม่มีค่ามอยากเป็นพระอรหันต์อรหันต์มีความอยากจะไปนิพพานสาเหตุใดพอมันเห็นมันเป็นในใจของเราแล้วนี่คือการประฤปฏิบัติตามอาจธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรู้ใจเห็นที่จะทาความเดือดร้อนในใจให้เยือกเย็นสงบไา้ ไม่ใช่ว่าเราไม่มีศีลหรือไม่เช่การสมัยที่จะประฏิบัติมันเหมาะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสถานที่ในวัดเลยว่าเย็นสงบไม่มีอะไรที่จะมารบกวนทางสิตทางใจถ้าหากตั้งนั่นผ่าเพียพรพยายามรักษา ก็มีโอกาสเวลาที่จ ะ, ะําระจิตใจให้สะอาดทองใสให้เย็นเย็นสงบได้นี่เราจะเอาการใดเวลาใดะถ า, านที่ใดเมื่อไรจึงจะลงมือทำต้องกำหนดที่ทีิทยานาตุจิตบุกใจท้องตัวที่หลับหลงให้ตื่นขึ้น แต่เพื่อปฏิบัติเป็นความสามารถของตัวเนื่อต่างท่านต่างคนสนใจในอดในธรรม ม, มุ่งมั่นต่างหน้าแต่เพื่อปฏิบัติเราทุกคนกว่าจะมีือ่ะเป็นกรรมฐานเป็นนักปฏิบัติเป็นผู้ถืบอายุพระพุทธศาสนา ถ้าจะเรียก้าหน้าตัวของตัวเองก็ไม่ตัานี่นะทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วอะไรคนอื่นเขาเห็นดบว่ตาก็เย็นไปถึงใจเพราะการไปเพื่อปฏิบัติหน้าเร่ยนใสหน้าตาว่าคนที่ยังไม่มีศรัทธาควจะเกิดศรัทธาขึ้นคนที่มีศรัทธาอยู่แล้วก็จะมีศรัทธายขยายพูนขึ้น นี่คือการประเพื่อปฏิบัติตัวค้องตัวให้ดี่ตัวค้องตัวชั่วอยากจะให้เทนเนรยงชงชอบแต่ว่าดีทานั่นก็ไม่มีทางที่จะเต็มไปได้เพราะตัวค้องตัวก่อตั้งนี่ตัวค้องตัวกว่าเชื่อว่าเสียอยู่เขาอื่นเขาก็มาปราถนาสิ่งที่ไม่ดีไม่ีใครเนรยงชงชอบกัน หอมเขาจริงอยากเห็นเหมือนเขาไม่อยากเจอมีความชั่วทั่วไปเหมือนขลองเหม็นมีใครอยากเห็นอยากดมบแต่ความดีมนั้นใครๆตอยินดีจากถนาอยากอยากเห็นอยากจะกดลบดนั้นขอทุกท่านอย่างนั่งต่างหนาต่างตาจะดีบัดรักษาพราะกายราา้ายา ใจมันมีอยู่กับเราคุเลียดปัญหาที่เาราจะขับไล่ชำระออกไปมันก็ไปนอกเหนือไปจากกายจากใจมรรผลที่จะเกิดขึ้นคนนี้มีอยู่ที่อื่นเกิดขึ้นจากกายจากใจของเราอีกเหมือนกันฉะนั้นขอทุกท่านอย่างต่างหน้าต่างตาชำระคุเลียดปัญหาเกี่อวัความสงบสุขแก่ตนของตนการอธิบายธรรมะ เหงนว่าพอสมควรเสียเวลาขอยุเพียงแค่นี้เอง